ถ้าคุณกําลังมองหาเมืองสักเมืองหนึ่งสําหรับพักผ่อนเพื่อคุณเองและคนที่คุณรักทั้งทะเลภูเขาน้ําตกแถมครอบครัวคุณยังชอบหาของอร่อยๆกินหรือที่บ้านกําลังมองหาอั ญ, ญมณีล้ําค่าอยู่พวกเราขอแนะนําเมืองจันทบุรีของเรามีครบเพื่อคุณและครอบครัวทะเลภูเขาน้ําตกทุเรียนมังคุดเงาะลําใหญ่อาหารทะเลสดๆพลอยเมืองจันทร์และตลาดวิถีชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปี หีนีความวุ่นวายมาที่จันทบุรีของเราจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ fm ความถี่หนึ่งร้อเมิกอเฮิร์และระบบ am ความถี่พันสกิโลเฮิร์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ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 เราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง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 ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้เรานำเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังซึ่งมีข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะในะเรื่องของการบานการเมืองนในช่วงที่ผ่านมานะครับนะวันที่7สิงหาคมนายงตรีนะครับพร้อมด้วย รัฐมนตรีมหาไทยนะครับผลเอกประยุทธ์ผลเอกอนุพงศ์แล้วก็มีรัฐมนตรีกรเกษตรนายเฉลิมชัยศรีอ่อนมีรัฐมนตรีศึกษาในนัฐพลทีปสุวรรณนะครับแล้วก็มีในส่วนของรัฐมนตรีช่วยกลาโฮมช่วยมหาไทยนะพอบอทธบอผลเอกภอิรัสนะครับก็ลงไปที่ตรวจราชการนะที่ ภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้นะแถวปัตตานีแถวยะล า, าและแถวแนั้นแหละครับนะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่ต่างจังหวัดครั้งแรกนะครับ ข, ของของ New York Country, นายกงบฏนะีนะครับไปดูนะครับติดตามการทำงานของส่วนราชการต่างๆนะครับและก็ออำนวยการรักษาความสงบในในพื้นที่ของของสามจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งก็ มีข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็มาให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ไปไปไปตรวจดูในในทุกกระทรวงละครับนะทั้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนะการประมงนะจะแก้อย่างไรการประมงผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้นาะยงตรีก็จะต้องมอบให้ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไปไปดูแลนะครับนะเพราะว่าประมงนี่เราเรายังถูกจับตามองอยู่นะครับในในส่วนของนะ จาก e อนะครับว่าเราเนี่ยเรือประมงของของเราเนี่ยนะใช้แรงงานไม่ไม่ถูกกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีการแก้ไขปัญหานี้นะครับในในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้นี่แหละครับนะก็มีการทำประมงด้วยนะครับนะเพราะนั้นนี่กนะ็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของราคายางราคาปาล์มนะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องต้องรีบในการที่จะ แก้ไขแหะครับกนะ็เป็นเป็นประเด็นที่ชาวบ้านเดือดร้อนเรียกร้องกันจุนอกจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของประมงแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ลงไปตรวจราชการนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของส่วนราชการในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักในการต้อนรับนายยงตรีนะครับแนตะซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหานะราคายางราคาปามนี่ ในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับนะรับผิดชอบนกระทรวงเกษตรนายสาธิตวงหนองเตยซึ่งเป็นสอ ส, อสอตรังของของประชาธิปัตย์นะก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้นี่ก็มีการคงจะต้องมีการชดเชยให้นะครับน่ะนะก็พยายานี้่ก็ในส่วนนี้นี่ก็บอกว่าในส่วนของรัฐนตรีพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็ในส่วนของ นายเฉลิมชัยซีออน้ำตีกระทรวงเกษตรนะครับก็กำลังเตรียมการในการที่จะมีการชดเชยให้ให้กับเกษตรกรในส่วนของเรื่องของปลามเรื่องของของอยางที่จะให้ได้ราคาสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องพยายามที่จะปรับแก้ในส่วนของของประชาธิปัตย์นี่ก็ในส่วนรัฐมนตรีในทำงาน บางครั้งสอสอบน่นว่าประชาสัมพันธ์น้อยไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของภูมิใจไทยนะซึ่งรัฐมนตรีในมีการออกมาตรการออกมาหลายอย่างและเป็นข่าวตามตามสื่อมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะครับบอก็จะมีหาแนวทางในการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านี่ก็สร้างความฮือฮาให้กับปลายาชนแล้วครับนะเขาไปจัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางแต่ก็ต้องไปดูรายละเอียด นะครับว่าว่าจะทำได้อย่างอย่างไรเรื่อง ก, การประกาศตัดถนน4ี่เลนจากโคราชมาบุรีรัมย์อะไรสํางนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ส่วนน้ำตีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับในอนุทินชาญวีกุลก็บอกนะครับว่าเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของาการรับในส่วนของน้ำมันกัญชาจากองค์การพาสเภสัตเนี่ยมาจะมาแจกใจ่ายให้กับผู้ป่วย ก็เป็นข่าวตามตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับนะนะสื่อมวลชนนะครับก็มีความหวือหวาในส่วนของภูมิใจไทยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองนะไปทํางานนะครับนะเป็นรัฐบาลนะครับเป็นรัฐมนตรีนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานนี่ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะติดต่อสื่อสารกับกับพี่น้องประชาชนนะครับ ส่วนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอกรณีที่ในส่วนของฝ่ายค้านทวงติงนายงตรีบอกว่าถวายคำสัตย์ปฏิญาณไม่ไม่ครบถ้วนตามรั้นูนนี้ในเรื่องไกลลีกิจวัฒนะทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไท ย, ยก็มีการาไปยื่นหนังสือให้กับอายการสูงสุดในการที่จะ ส่งเรื่องต่อถึงสารด้านนูญให้วินิจฉัยกรณีที่พลเอกประยุทธ์นายกรีนะครับก็กล่าควคํำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตราหนึเนะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่ า, วาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นการทวงติ่งของในส่วนของพรรคฝ่ายค้า น, นะท่านติดตามการประชุมของ สภาเนี่ยมีการถ่ายทอดนะครับนะมีการประชุมสภาทั้งวันพูดวันพฤหัสเราก็จะเห็นการแสดงบทบาทของในส่วนของอสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งกระทู้ถามบ้างนะครับการอภิปรายนะครับในะนโยบายหรือการติดตามการทํางานของของหน่วยงานราชการนะครับถ้าตามได้เราก็จะเห็นนะครับว่าการทํางานของสสเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับเนี่ยซึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้ในส่วนของส่วนราชการนี่ต้องต้องทํางานสนองอนโยบายแล้วก็รับใช้ประชาชนมากขึ้นแหะครับก็คงจะต้องอดูบทบาทของของสภาซึ่งสภานี่ก็เริ่มที่จะมีการทํางานกันแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราก็จะเห็นบทบาทของของแต่ละคนในใ น, ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่า ก็จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นบทบาทในหลายๆส่วนนะครับนะแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการต่างๆนี่นะครับเวลาจะของบประมาณนะในปีนี้ก็มีการเตรียมการไว้แล้วก็ต้องไปชี้แจงต่อต่อสภาล่ะครับต่อสภาซึ่งที่ทําการข อ, ของสภานี่ก็ยังยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ก็มีแต่ที่ประชุมของวุฒิสภานะครับ ท, ที่เสร็จแล้วนะครับในส่วนของ อาคารรัฐสภาหลังใหม่ส่วนที่ประชุมของสสก็บอกว่าจะน่าจะเสร็จประมาณเดือนกันยานี้แหละครับก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปเพราะตอนนี้นี่ในการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ใช้สถานที่ประชุมอยู่ที่ห้องประชุมของทีโอทีะออะนะครับนะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะคับแคบนะหลายคนก็บอกว่าน่าจะมีการขยับขยายนะไป ที่ประชุมที่ใหม่แต่ ว, ว่าคงจะต้องต้องรอแล้ครับนะเพราะว่าที่ใหม่ก็ยังไ ม, ไ, มไม่ไม่แล้วเสร็จในเรื่องของของของการประชุมตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นการขับเคลื่อนของของแต่ละกระทรวงนี่เริ่มมีความเคลื่อนไหวในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนี่เนี่ยก็เราจะเห็นนะครับมีแนวคิดของรัฐมนตรีนะครับในการ ที่จะให้การศึกษาอย่างเช่นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนี่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในช่วงของการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับเพราะว่าในส่วนของชาวบ้านของครูหลายคนนี่ก็กังวลล้วครับนะเพราะว่าโรงเรียนก็กลัวว่าโรงเรียนใกล้บ้านลูกหลานจะได้ไปโรงเรียนได้นี่จะจะถูกยุบจะต้องเดินทางไกลในการที่จะไปส่งบุตรหลานไปไปโรงเรียน นะเพราะฉะนั้นนี้ก็พยายามที่จ ะ, ะไม่ไม่อยากให้มีการยุบแต่ว่าในส่วนของอผู้บริหารการศึกษานะครับก็มองว่าถ้ามีการควบรวมจํานวนครูที่จะมาสอนนักเรียนตามห้องเรียนก็จะได้ครบแล้วก็เป็นครูถ้ามารวมตัวกันแล้วนะครับการสนับสนุนก็จะเต็มที่ทําให้การศึกษานี่มีคุณภาพก็เป็นกัน มองกันคนคนละมุมแหะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูเพราะว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะครับนะทั่วประเทศเนี่ยหมื่นหมื่นกว่าโรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีจํานวนมากนะคงคงจะต้องดูแล้วก็รัฐบาลคงจะต้องมีการเตรียมกันด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจำนว น, นเด็กอาจจะลดลงนะครับประชากรวัยเด็กนะครับนะแล้วก็มีหวยสูงอายุเนี่ยอาจจะมากขึ้น นะครับอตอนนี้งนี้คงจะต้องอมีการาปรับเปลี่ยนนะปฏิรูปการศึกษาให้ให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ซึ่งตรงนี้คงคงจะต้องดูนะครับอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ ท, ที่มีการยกย่องว่ามีการจัดระบบการศึกษาที่ค่อนข้างอยู่ในระดับนําของโลกนะครับการศึกษาในระดับมัธยมของสิงคโปร์นี่ถูกยกย่องว่าเป็นาการศึกษาที่อยู่ยในระดับอ แล้วแถวหน้าของของโลกเลยทีเดียวในโรเรียนมัธยมนะอาจจะต้องมีการไปศึกษานะแนวทางหรือไม่นะครับว่าจะพัฒนาให้ให้ให้ใกล้เคียงกับสิงคโปร์กันกันได้หรือไม่เนี่ยคงจะต้องไปดูนะระบบกันศึกษาก็เป็นเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะนะมีความยากเหมือนกันสําหรับรัฐมนตรีกรนะทรวงศึกษาที่จะเข้ามานะบริหารงานนะครับกระทรวง การจัดสวัสดิการให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยจะจะมีจะแก้ปัญหากันอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินครูนะครับที่มีจํานวนมากเหมือนกันนะครับนะซึ่งก็ยังต้องรอการแก้ไขอยู่นะครับโดเฉพาะาครูที่เข้าโครงการชพอคอนะยังมีหนี้สินกันกันอยู่นะจะจัดสวัสดิการอย่างไรรวมทั้ง นะการจะมีการปฏิรูปนะการทํางานของครูเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เท่าที่คุยกับในส่วนของผู้บริหารระดับโรงเรียนหรือว่าครูบาอาจารย์หลายคนก็บอกว่าครูมีมีภาร ะ, ะหน้าที่หลายอย่างนะครับนะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนนะคุณภาพการสอนจ ะ, จะลดลงเพราะว่าบางครั้งครูต้องมาทํางานทุเลาการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงิน พัสดุอะไรต่างๆรวมทั้งจะต้องมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องโครงการอาหารกลางวันนะครับไปจ่ายกับข้าวบ้างนะครับมาดูแลแม่ครัวปรุงอาหารอะไรต่างๆนะครับมีมีหน้าที่หลายอย่างนะนอกเหนือจากการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่ที่จังหวัดก็ดีหรือว่าเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆรวมทั้งมีการเตรียมเอกสาร นะครับนะประเมินรับการประเมินวิทยาฐานะหรือว่าการประเมินโรงเรียนนะการประกันคุณภาพต่างๆซึ่งทําให้ครูอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมาเตรียมสอนนักเรียนเพาะฉะนั้นะตรงนี้นี่คงจะต้องฝากไว้ในส่วนของกระทรวงศึกษาแล้วนะครับนะที่จะต้องมีการปฏิรูปนะ ร, ระบบการศึกษาตรงนีน้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอภารกิจ ของของครูบาอาจารย์นะครับว่าจะพัฒนากันกันอย่างไรนี่คงจะต้องดูกันต่อไปมารับฟังเพลงสักเพลงนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับท่านทัวครับสาวยโสทร หัวใจงับงอนอยู่ในเพียงบ้านไกลพอมอบหัวใจให้เจ้ามอบความฮักไม่ฮักไม่หัวใจของเฮาเอาความหลังครั้งเคยโง่เขลาความเศร้าลอยลำน้ ำ, นำที่สาวสงทอน หัวใจรักเจ้าทุ่มเทพี่ลมร่อนเรบุเพสร้างสันชวนชี้แห่งความฮักไม่ฮักไม่ลุ่มนางลำทีมีมนคลังฟังในฤดีน้องนี้ ให้ช้ำสาวยโสธรบังอ่อนคงบ่ใจดำรับรักคนตายใจช้ำ น, น้องช่วยดามหัวใจด้วยทีสาวยโสธรหัวใจงับงอนอยู่ในโปรดเธอดวงใจ มอบหัวใจให้พี่มอบความพักใหม่ฮักให ม, ม่ล่มน้าลำชีจากหนุ่มไทยหากไรหล่นปรีรอยปีพิคงบ่เลย รับมารับฟังนะมาพูดมาคุยกันกันต่อไปในในช่วงนี้นี่นะครับในส่วนของนะรัฐบาลรัฐมนตรีในแต่ละส่วนมีความเคลื่อนไหวนะกันพอสมควรเลยทีเดียวนายจูดินลักษณะวิสิตรองนายยงตรีรัฐมนตรีพาณิชย์เปิดเผยบอกว่ามีการประชุมสามฝ่ายร่วมกับตัวแทนของส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกร เพื่อมีการหาแนวทางในการกำหนดแนวทางและราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบในในการที่จะมีการกำหนดราคาประกันรายได้ผู้ปลูกปาล์มไว้ที่กิกโลกรัมละสบาทนะครับสำหรับปาล์มสดนะเปอร์เซ็นต์น้ามันประมาณ 18% แล้วก็มีการกำหนดเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีพื้นที่เพาะปลูก ไม่เกิน25ไร่นะครับซึ่งสําหรับเงินส่วนต่างรายได้นะของราคาประกันแล ะ, และราคาตลาดก็จะอุ่นให้กับเกษตรกรผ่านบัญชีของทก ส, สล้ครับนะครับซึ่งโดยราคาส่วนต่างก็จะคํานวณจากราคาประกันกิโลกรัม ล, ละสบาทลบด้วยราคาตลาดณนะช่วงเวลาที่กําหนดนะซึ่งจะมีอนุกรรมการ เ, าเป็นผู้คํานวณส่วนต่าง รายได้นะครับนั่นก็เป็นเป็นรายละเอียดที่กระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะมาะช่วยเหลือเกษตรก ร, ร, กรพี่น้องที่ปลูกปลาล์มน้ํามันซึ่งก็มีอยู่ในภาคใต้แล้ครับเป็นส่วนใหญ่ปลูกปลาล์มน้ํามันนะครับซึ่งราคาค่อนข้างที่จะตกต่ากํามากก็มาหนุนเสริมนะครับแล้วเพราะฉะนั้นนีนตรงนี้นี่ก็มีการแล้วก็รัฐบาลยังจะส่งเสริมให้กับประชาชนใช้น้ํามันไบโอดีเซล B10 ให้มากขึ้น นะรา บ, บว่ามีการนำปาน่ามาใช้ในการผลิตนะซึ่งพยายามที่จะดูแลแล้วนอกจากดีนี่รัฐมนตรีพา น, นิ์ก็บอกว่าจะมีนโยบาย10ด้านเร่งด่วนนะเพื่อที่จะให้ผู้บริหารกระทรวงไปผลักดันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันโครงการประกันรายได้นะครับเกษตรก ร, กรผู้ปลูกสินค้า5ชนิดได้แก่ข้าวยางพารามันสําปะหลังปามนน้ามันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครับเพราะนี้จะทำยังไงที่จะให้ใ ห, ให้ได้ราคาสูงขึ้นนั่นแหละครับนะนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้คงจะต้องดูมีการดูแลราคาสินค้านะบริการนะไม่ให้สูงให้เป็นให้ให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็แจ้เร่งรัดการส่งออกให้ให้ได้สามปีร้อยละสามนะครับต่อปีในปีนี้นะครับนะเพราะว่าพยายามที่จะเร่งนะเดินหน้าตรงนี้นะครับรวมทั้ง เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาพนะักดันเศรษฐกษิจสมัยใหม่พวกคงจะเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดิจิตัลหรือว่าเป็นพวกไบโออ o โคโนมี e y, การค้าออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเพราะะนตรงนี้นี่คงจะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปเพราะตอนนี้นี่เราเราอย่างที่บอกแครับว่าพอเจอสงครามการค้านะระหว่างจีนสหรัฐนี่ก็ค่อนข้างที่จะ พัปนป่วนกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่ากรณีการตอบโต้ตั้งกำแพงภาษีนะสินค้านะแล้วก็แล้วจีนนี่ก็ตอนนี้ใช้มาตรการลดค่าเงินหยวนลงเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้สินค้าของจีนที่ส่งไปส่งออกส่งไปขายยังต่างประเทศเนี่ยราคาถูกนะผู้ประกอบการจีนก็ไม่ไมขาดทุนแลครับนะก็ ยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าเป็นการลดค่างเงินหยวนแต่ก็จะกระทบกับประเทศอื่นนะครับเพราะว่าสินค้าก็จะขายสู้กับสินค้าจีนไม่ได้นะครับก็จะทำให้การส่งออกอะไรกระทบกันไปหมดรวมทั้งไทยเราด้วยเหมือนกันน ะ, นะเราจะเห็นว่าตอนนี้สินค้าจากจีนราคาถูกเนี่ยค่อนข้างที่จะทะลักเข้ามานในตลาดบ้านเรามากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าค่างเงินหยวนอ่อนตัวลงเรื่อยๆนะครับรวมทั้ง าการการไปเที่ยวจีนเนี่ยนะครับการไปใช้จ่ายเงินที่จีนก็ใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับนะคนจะเห็นว่ามีคนคนเริ่มไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าค่าเงินอ่อนตัวนะครับทำให้ราคาถูกลงนะครับเพราะฉะนนตรงนี้คงจะต้องมีมาตรการหรือไม่ในส่วนของของธนาคารแห่งประเทศไทยของเร า, าจะมีการต้องมีการปรับลดค่าเงินบาทหรือไม่ค่าเงินบาทแข็งไปหรือไม่นะครับนะเพราะถ้า ค่าเงินบาทแข็งนี่ก็จะทําให้การส่งออกของเรานี่ส่งออกได้น้อยนะเสียเปรียบนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องต้องดูให้ให้เหมาะสมนะครับนะว่าว่าจะทําอย่างไรนะครับในส่วนของทางด้านรัฐวิสาหกิจนี่นะรองนายกนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะก็มีการสั่งการให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนนะเพราะว่าตอนนี้นี่ ในส่วนของรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจก็มองว่าเรามีผลกระทบต่อสงครามการค้าและค่าเงินหยวนล่ะครับนะซึ่งตรงนี้ดิอยากให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายเงินหนึ่งแสนล้านบาทพยุงเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการจี้นะครับให้เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้จ่ายถ้าถ้าใครไม่เบิกจ่ายก็จะมีการยึดเงินเข้าคลังแผ่นดินตอนนี้ตรงนี้นี่ก็ เป็นการเร่งเพราะว่าถ้ามีการเอาเงินมาลงทุนแล้วศรษฐกิจมาใช้จ่ายมันก็จะเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ ก, ก็จะฟื้นแล้วครับในส่วนของราชการในหลายๆหน่วยเนี่ยก็มีการเร่งรัดจาก ร, รัฐบาลให้มีการเบิกจ่ายเหมือนกันนะครับเหมือนกับในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งดูแล้ ว, ลวรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นปตอทอก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของการไฟฟ้าฝ่า ย, ยผลิตนในส่วนของ การรถไฟได้ต่าง ๆ, างๆในการเบริกจ่ายนี่ก็ยังค่อนข้างที่จะน้อยเป็นบริษัทเป็นร้าวิสาหกิจขนาดใหญ่นะครับนะจะทำยังไงล้วครับที่จะให้ให้มีการเบริกจ่ายให้ให้มากขึ้นนะครับมาเกิมีการเล่งรัดแล้วก็ในส่วนของมีการประสานให้ต่างชาติเดินมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องแข่งกับเวียดนามแล้วครับนะว่าเพราะเวียดนามนี่ก็ดึงนักลงทุน ไปมากเลยทีเดียวนะครับจ า, จากไทยเรานี่ยนะครับก็ไหลไปลงแถวเ ว, วียดนามแถวกัมพูชานะครับนะกันกันมากแล้วก็ในส่วนของจีนนี่ก็ตัดรถไฟความเร็วสูงม า, มาที่ลาวเพรา น, นี่ในส่วนของนักลงทินจีนอาจจะมาลงทุนจำนวนมากในสอเ พ, นะนะนะพอปลาวนะเพราะในตรงนี้นี่ก็เราจะแข่งอย่างไรใ น, ในสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจลําตีอุตสาหกรรมก็บอกว่ามีกัน มอบนโยบายนะให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะไปทบทว น, นมาตรการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีภายในประเทศนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาออกมาตรการส่งเสริมมา2ปีก็ยังไม่ได้รับความนิยมทนะมอย่างไรนะครับนะจะใหนะ้คนไทยหันมาใช้รถไฟฟ้านะครับ นะแล้วก็ทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงนะแล้วก็จะเห็นว่ารถไฟฟ้าของของบ้านเรานี่ราคายังแพงอยู่นะครับนะส่วนใหญ่ก็นะราคาเนี่เกือบล้านกันทั้งนั้นแหละครับนะเพลเว็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนะเพราะฉะนั้นําัทําอย่างไรที่จะนะผลิตแล้วก็ให้ราคานี่อาจจะอยู่ประมาณสามถึงห้าแสนเนี่ยอาจจะมีคนใช้มากนะครับนะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่ในต่างประเทศนิยมมากแถวยุโรปแถว อเมริกาเนี่ยนิยมมากนะแล้วก็ปัญหาก็คือปั๊มที่จะชาร์จไฟนี่ก็จำนวนน้อยไม่เพียงพอนะทำอย่างไรที่จะให้มีสถานีชาร์จไฟกันอยู่ตามปั๊มทั่วประเทศได้นะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่ไม่มีน้ำมันครับไปไหนก็ต้องมีการชาร์จไฟนะครับเพราะงนตรงนี้นี่ก็มีมาตรการที่จะไปไปเล่งนะทางด้านกระทรวงสาหก ร, รม ับเพราะในกรุงนีทรรจะทำอย่างไรนะ ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีการส่งเสริมมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังคือคาดว่าในในช่วงประมาณ 3-5 ถึงปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจำนวนรถไฟฟ้าเนี่ย จ, จะมีจำนวนมากขึ้นในท้องถนนนะถ้าร า, าคาลดลงนี่คน mm hmm. น่าจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้ากันมาก อ, อย่าง ในต่างประเทศเหมือนกับต่างประเทศแหละครับนะตอนนตรงนี้นี่คงจะต้องดูนโยบายของของภาครัฐเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามีมีผลลครับถ้าเราเก็บภาษีไม่แพงนะครับรถยนต์รถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสถานีที่จะมีการชาร์จไฟนะอยู่ตามปั๊มต่างต่างทั่วประเทศเนี่ยนะก็คนจะเริ่มหันมานิยมรถไฟฟ้ากันกันมากนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ราคา น้ำมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นราคาสูงราคาแพงนะครับนะทำอย่างไรที่จะมีการส่งเสริมนะุตสาหกรรมด้านนี้นี่คงจะต้องดูดูกันต่อไปนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ ท, ท, ที่รัฐบาลนี่น่าจะต้องมีการมาแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำซึ่งปีนี้ค่อนข้างที่จะเจอภายแรงนะในหลายพื้นที่ฝนทิ้งช่วงไม่ตก เพราะฉะนั้นนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคในในเมืองใหญ่ๆนะโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนีนะ่ขาดแคลนน้ํามากแม้ว่าจะเป็นโคราชบุรีลำนะลสุรินทร์ศรีสะเกดและ อ, อีสานใต้นี่หนักนะขอนแก่นก็มีนะครับเพราะฉนะนั้นคงจะต้องมีการวักวางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำํำนะเก็บกักน้ำํำนะเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งทั้งด้านการเกษตรนะให้ให้ดีนะสำหรับปีหน้า นะตาะนั้ตรงนี้นี่คงจะต้องดูค่อนข้างแต่จะวิกฤตแล้วครับปีนี้เราเจอปัญหาภัยแรงกันทั้งภาคเหนือภาคภาคอีสานนะครับนะบนี้คงจะต้องดูกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะขวัญบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนันต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนและพบกันโ อ, อกาสหน้าครับสวัสดีครับ ทอดอกไม้ทั้งใจต่อให้หิวก็ฝืนก็ทนจะยอมไม่กลื้นไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้ราคาใแค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทังตายองมองเชื่อมชมแค่เพียงดอกไม้ ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตจะน้อนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกายเป็นปุ๋ยดิน ฝันไม่ทันได้เติบโตไม่ทัน